ตาเล็กเขพูดกันมาปีนี่จริง น, น, น, นะครับใช่คร<ม>ับใหญ่ไปไปไปประให้ท่านหาก็ยนใช่คบไม่ได้เกรงว่าปฟันนะแต่เป็ น, เ ป, นเป็นใครดรีกว่าชอบใช้ศัพท์แ้วก็ฟังไม่รู้เรื่อง การเทศเขาต้องให้รู้เรื่องไม่จะพูดไม่รู้เรื่องจะไปในเวลานี้พูดดีองค์ก็สมเด็จพระโคาจารย์พระบัณฑิตสมิญญาที่พขาถ้าพูดแล้วคนไม่ขไมเข้าใจนะคือท่านใช้ทรัพย์โรงบันเนี่ยพระไมิญญาพระไม่ญญาพื้นคนนี้ถ้าพูด ออกมาเป็นตัวสาขาแล้วก็ตามคนไม่ถอยเรีเ่ยเรียบไปเข้าใจง่ายชัด้อาอย้ยอดโยมมันจะไหนจ๊ะมันจะการเอออกาไม่ใช่เห็ น, เ ห, นเห็นนั่งเห็นนั่งเฉยๆนี่มาคุยด้วยโยมได้ค่าจ้างน้ำหรือยังเอาแพงๆนะ พ, พวกเกียรติศีนะี่เอาให้หนัก สิ่งทาวเรามั่งนะพัดให้แหลกเลยหล้วที่เข้าใจไม่ใช่ไม่ทำก็ไม่ได้บล้าคุยสนุกสนอกอะ่ะ ใช่ใชนักนก่หนักน่หนักหนก่หนักหนั่หนักหนักใ่นัหนักใช่หนกหใช่ใหนนัใ่หนั่หนนกันหน่นหน่่ัใช่ชใก อาย่า่โยมเอ้ยฉันว่าไอา้พวกนัาาาา้นมาได้หน้าเก่าเก่าคิดไม่ใช่ต้องถามบ่าอะบันทีหน้าเหมือนกันขึ้นมาไอ้นกเมาลุกเออไออ้ออโจทีมีสุดนั่นเอนะ เออโชคดีรู้พลังมนเอาเลยอไเอเเอโชคดีมีสุขมีความสุขคนเดนมีความเป็นน้าสมังทุกอย่างนะจ๊ะอาจะได้ไปรวยรวบ้านอยู่ไหนเอออายุยาอยู่ใกล้กรเก่าไมอกอายุยาถามบ้านอยู่ใกล้กรุงเก่าไห ม, หมอะ เ, <laughs> เ, อเย ถ้าอยู่ตมเมืองเดี๋ยวโยีอยู่ตมเมืองนะตมเมือนถ้านั่งรถก็ไกลวันโคสิบนาทีถ้านั่งรถยนต์นะถ้านั่งโดยยนตนะ์เนาจ้ะถ้านั่งเรือนยนต์ไปเป็นชัว่วโมงโชคดีมีโชคนะเจ้าโยมโชคดีนะไปเรื่อยนะ ฮะอ๋ฮะไม่รูองั้นอืมคอยก็คู่รักกันมั <c ười> น้งหนากเลยคือต้องเป็นพ่อเดียวกันเอ็งจะใช้มโนยี่ที่กลางคืนนี่หรื ขึ้นไปหาพระเจ้าเรือหายาแต่ถามว่าคนนั่นคือใครขอไม่พบต้องพูดเดียวกันพี่เก่าน้องเก่าทัพ่อบอกเองได้เองที่เจ็ียดก็ดไปทดสอบเองเฮ้ยยังไงใไไสจสุรีใจโยมจ้ะหายายโยมข้างหลังมาจากไหนจ้ะยังใหม่เลยโอ้หน้าใหม่ๆหรือหน้าเก่า ให ม, ม่แก้วมูลราชาทุนท่านนะมาว่ามาักใหม่นะอือเชียงใหม่เอ้เล็กคุณไอ้เชียงใหม่นี่มันตั้งมากี่ปีแล้วนะไม่ยอมไอ้ทำมาเยังใหม่อยู่อ่ะ <c oughs> ชื่อไม่เก่านะแต่ตัวเมืออาจจะเก่าใช่ไหม โอ้จริงจริงริงจ ง, จงี่ใครอยากสวยมั้ยไมก็ชื่อสวยนะใ <laughs> คาอยากหนุ่มอยากสาวก็ชื่อหนุ่มชื่อสาวไม่แก่ใช่ไหม่าาาหมาเที่ยวหรือจะเปล่ามาทำงานอะไรบงเลยเอะวันนี้มีแต่พวกาเสียก่อนเลย เมื่อกี้ไปคนเออมีเฉพวกปฏิปักษกันมาเท่านั้นใช่หนูพวกพว ก, พวกเก็บภาษีพวกปฏิปักษกันนี่นะนี่ยายไม่เล้ายังหนูยังอ่ะจ้ะอ๋จะอจ้ะเราเราสั่งคำสอนยายแล้วสินะ เรี่ยวย่ายแน่นอนนี่เสวรสสิงค์ก็ดีก็ไม่อยากว่าถึงก็เชือกลากสะโคคอลากเหมือนกันเอองั้นเลยไม่จะพอดเพด้วย เขาเลิกคนไกลพระคนไกลพระเขาถึงพระเจ๊กเกลางๆโดยคนประเภทนี้มันที่อาจจะพวกขโมยของพระมาเห็นหน้าพระโดนทักนู้กพ้งเงินนื้อไอ้หนุยชุดหลังมาจากไหนจ๊ะ ไในกันเลยไอย้หนูตัวเล็กนั่นชื่อไรลูกเอ้ชื่อไรไชื่อไรนฮะมันออมมันญาติดีมันญาติมาไม่ดี <c oughs> <c oughs> ยังไม่ลงท้ายท <c oughs> ี่สุดฉันมีเสน่ห์ไหมฉันจ้องมองคนนั้นคนเดียวเพราะอะไรไหม ตาฉันไม่เคยดีคนอื่นเห็นไม่ชัด <c oughs> อห น, นูไม่ชัดราะคนแก่มองแล้วมันก็ชัดนะไอ้ห น, นูหุ่นมันชัดดีไอ <c oughs> <c oughs> โยมเป็นไงเบ้าเนี่ยวันนี้ไปเที่ยวนรกคุ้มไหนอคไหน เาิเแม่ไหมแม่สวยไหมลูกสาวสวยเท่าแม่ไหมทำไมอ่ะไอ้ลูกสาวสาวกว่าแม่แล้วแก่กว่าแม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนั่นทนอยู่นิพพานแล้วมันที่สุดแค่นั่นนะ คือนิพพานในที่สุดที่สุดเท่นั้นไม่มีใครเก้าอีกแล้วทีนี้ก็เวลาจะขึ้นไปก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องตัดสินใจก่อนว่าร่างกายของเราทั้งหมดจะมันไม่ดีไอ้คาว่าไม่ดีเห็นว่าตับไตไส้ปอดตับเลือดต้นเถียงหน้าหนองก็สโปรกใช่ไหมแก่ลงไปทุกวันนี่การป่วยไขยบบย้ไม่สบายนี่ก็คือการตายเป็นนี่สุด ไอ้ผิว่าร่างกายประเภทนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปไม่ต้องการอีกและการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพงก็ ด, ก ด, กดีจะไม่มีสำหรเราเราต้องการจุดเดียวนิพผ่านนะเราทําใจสบายก่อนแล้วเริ่มภาวนาไปส้จะสวยสวยคลายแม่ <c oughs> คือว่าจิตต้องตัดอารมณ์นี้ก่อนขึ้นไปก็จะสว่างสวัยด้วย ร่างกายก็สวยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าการเข้าทั้งขีดอิพานเนี่ยเวลานั้นมีอารมณ์สะอาดเท่าพระหลังแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดไปก่อนมันก็มัวไปหน่อยไม่ถึงอาตามักไม่ถึงอาตามขนใช่ไหมถ้าตัดไปได้วยความจริงใจใตัดนี่ต้องค่อยค่อยพิจารณาเรื่อยๆตืนขึ้นมาพับตัดสิ้นใจวร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกมนุษย์เซลล์โลกเทวโลก ความมรรคเราไม่ต้องการต้องการนิ่ผ่านก่อนจะหลับก็นึกแบบนี้่ถ้ามันตายมาอะไรแล้วไม่ต้องการกลับมาเกิดอีกใช่ไหมอย่างนี้มันจะชินที่หลังถ้าเริ่มภาวนาไปได้เลยไม่ต้องพิจารณามันจะชินแล้วอารมณ์มันชินอย่างนั้นได้ขึ้นไปเมื่อไรก็สว่างแจม่มใสสภาพร่างกายก็เหมือนเขาแหะมันจะเหมือนกขาเลยนะคือต่อสายก่อนขึ้นจิตสะอาดที่สุดก่อน อ้จิตสะอาดที่สุดไม่ใช่ว่าต้องไปภาวนาพิจารณาจนยาวเฟื่อยไม่ใช่งั้นเขาตัดจุดเดียวอวิชชาคําว่าอาวิชชาแปลว่ารู้ไม่ครบเผือจิตพย่าจิดมนุษย์โลกถือว่าโลกเป็นโลกถือว่าเป็นภู้มีอวิชชาถ้าจิตเราไม่เกาะมนุสสโลกถือว่าโลกเปหนโ ล, โ, ลโลกเวลานั้นหมายว่าอาวิชชาสลายตัวเฉพาะเวลาและเท่านั้นเอง ไม่ยากทำไมช่ช้าสองสาคราวสวยเท่าแม่ฮะใช่แล้วลบเลยเลยชาตินี้เลยเป็นนักพร้อมมักหมู <c oughs> ถ้าบอกพร้อมที่ไม่รู้จักคานี้นนี่ไย อายุทยาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเลยแต่ตัวนักรบไม่สมัยไหนจะไม่ใช่แสงแสงอายุทยาคนไรสมัยนะต้งเกิดไรสมัยแค่อยุทยาเนี่ยสามสี่สมัยใครหลวงพระงัวพระองกระดกกระนาดเด้กโคกโคกขุตาเลย พญาโกสาลเลยแล้วก็พ่อบาบ้าพะลีพยาคมบุรีคุนแผนนะชี่สมัยสุดียางไงฮะยังนา <laughs> คำว่าคุนแผนมันไม่มีประวัติศาสตร์หรอกคุนแผนคุนชางที่ชาวบ้านเขาเรียกคพื่อปราบบาราสัยก็ไม่พบ อนั่นชา บ, บ้านเขาเรียกกันอย่างคุณช่างเนี่ยตอนจริงเขาเป็นพญาพญาพานุ ม, มาตรแท้เรียกคุณช่างว่าต้องปะปู่แก่พ่อแก่ได้ตัวแกเองเป็นคนหาช่างให้หลวงแล้วฝึกช่างชาว บ, บ้านจึงเรียกว่าคุณช้างไอ้นคนแผนเนี่ยเขจะมีแบบแผนมากเลยมั้งแผนที่ถ น, นัดที่สุดก็แผนหามเมีย <laughs> เรื่องชาว บ, บ้านเขาเรียกกัน น, นร่เวลาจะอ่านประวัติศตาสตร์คาจริงเรื่องคุณช้างแผนนี่มาหนักหน่วงก็ตอนนี้ดิสมัยพระเจ้าสามปยาน่สมัยเนี้ย่้าขุณไกลก็เป็นสมัยพ่อพเจ้าสามปยาก็เป็นช่วงต้นของช่วงต้นของสุโขทัยว่างไล มองไปมองระวังเชียงใหม่มองดูเชียงใหม่แล้วหน้าไม่คอยใหม่ไม่ใช่ไม่รู้ก็บอกใหม่อ่ะแล้วคนระวั น, นั้นหน้าเขาไม่ใหม่ <laughs> ยังไม่เคยมาเลยเลยอ๋อ ต่อไปมาสะกี่ครั้งมาก็แวะให้ดีนะแวะข้ามโเจอเมนน่นะว่าไงไอ้เจี๊ยบเจดพระพุทธเจ้าจะว่างไงฮนะ ไม่ไปขอหวยนั่นแล้วกันไอกที่ขึ้นมา ก, การาบพระทางพวกนี้มีอะไราบ้างก็าบอกไอ้คนอยากได้เล้หวยมาพอดีมาจากนั้งพูดเรื่องหวยเลยเลยมาตว่าบางครั้งบันนี้พ่อเหนื่อยอยู่ในห้องเนื่อยไม่ถามดัง ป, ป้าปกติจะถามนั่ก่อนออกมา ไม่่ได้ถามเขากลับทีถามที่ตรงนี้ถามคนที่มาเนี่ยเขามีความประสงค์อะไรบ้างท่านเลยบอกบางทียังไม่ทัาอ ม, มาท่านก็บอกคนนั้นเป็นยังไงคนกลุ่มนั้นเป็นแบบนั้นคนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้นบางทีก็บอกเครื่องแต่งตัวบอกเสร็จบอกรูปร่างเอารูปร่างมาตายให้เห็นเลย แด้ว่าคนที่มีสไตา์มีความสำคัญทัางจะจี้ตัวให้เลยเฮ<ะ>้สาวน้อยข้างหลังะ่ะมีอะไรคุยไหมล่ ะ, ะว่าไงนะ เป็นไรแล้วเข้าเมนเมื่อไรดับเมื่อนั้นออกไปไปลูกตีบอลก็ดับไปติดสนนี่บอลมันไม่ดับเราต้องดับจากนี่บอลนี่บอลมันเป็นเครื่องประจําโลกเขาไม่ดับหรอกเราก็จิตใจเราต้องดับจากนี่บอล แต่ว่าการจะดับนิวรณต้องใช้เวลาอย่าให้มากมากักวันหนึ่งมียี่สบสี่ชั่วโมงมเราสามารถดับมันได้ครั้งสองสามนาทีต้องพอใจเห็นไ้มเขาใช้แบบนี้นะไม่ใช่ตีรวดไปทั้งวันตีรวดทั้งวันเนี่ยต้องไปพระอรหันนิวรถ้าเป็นชาโลกีไม่ใช่ไม่ใชตัดนิวรณนได้ไมันจะดับเพราะระงับจิตใจนิวรณโชคราวนิดๆหน่อย คุณนุ้ยจะไหนจ๊ะเออม่สุระอะไรเปล่าถ้ามีสทรแเราก็บอกนะถ้ามไม่มีไม่บอกกันเดยเคุยเฉยๆหมดเวลาจล ก, กลับถอีสีโมงเป่งเลยคุยกันไม่ได้วันนี้ไอ้เนี่ยคุณตั้งได้เลยผมนะผ่าไปทางเดินจ้าคุณน้ยท่าไปทางเดินเขา้า ขอพรเพน้นมนน้ำมนเขาซื้อมานะขอไดเอ้เดี๋ยวนี้ไปเสื้อมแข็งเปล่าก็เสียตังค์ซื้อน้ำเปล่าเสียตังค์น้ำมนต์ฟรีได้เหยอนั่งพอมันพร้อมกันเดี๋ย ว, ยว <c oughs> ทำงานอะไรนั่งเลยนั่งกหกชาว บ, บ้านเขา เใช่ไหมหนูนักโกหกที่บ้านใช่ไหมขายยาปล่าขายทำอะไรไม่ใช่โฆษณาขายยาปล่าไม่มีอะไรฮะฮะนั่นเลยโฆษนาอาหารโกหกเขอีกอ่ะบอกว่าอร่อยแต่ตัวเองไม่ได้กินคนนี้นักโกหกซะนะ แม้ดีงั้นนี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินนะนะเขาจ้างกโกหกใช่มั <laughs> ม <c oughs> ม่าเฮ้ยแม่เธอเขาถ่ายภาพโทรทัศน์เนี่แพงนะยัลรู้อันเธอนึงเขาก็เขอถ่ายเรื่อยคนที่ไปเรียนอเมริกาเขาไม่ว่าราคาเขาให้พีหลายพัน ถ่ายนิดเดียวถ้าถ่ายเฉพาะหน้ายิงแพงนะทั้งตัวออกตัวทัดถ่ายเพื่อโฆงณาไอ้สวนสีเวลานี้ได้า ไ, ได้ดีไหมก็ช่าง ไอ้ศรษฐกิจไม่ดีช่างนะ้ได้ตังค์มากๆก็แล้วกันยังพอไปไหวนะเวลานี้เขาตัดใจการค้าเขาก็แย่ถ้าจะไร่ชนาแยก่การค้ า, าก็แย่เหมือนกัน อ, อครูบาอาจารย์นี่ว่าไงฮะทุกหนธรรมายิงทุก ออ๋อบอกใครที่ไอ้ที่นี่คนเวลานี่มติดตังมันน้อยนะี่ะอยากซื้อก็อยากเขาอาจจะอยากจะซื้อใช่ไหมแต่เงินมันก็น้อยอ้ยาวใครรับสมุดบ้างเขามานะไอ้ที่เสรเอาเข้ามาทุกคนนะจ๊ะ การไปรวยมากๆทุกคนห้ามรวยน้อยถ้ารวยน้อยจะถูกเคียนใช่ดิถ้ า, ะาะชะ บ, บ้านรวยภาพมันไม่อดตายอันนียไปบูชาพุทรูปดีกว่าได้ในสงฆ์ท่านถ้าตั้งใจีิฐานนะไม่จำเป็นอันมันใจนมาฝากน้ำสำคัญ ท, ที่สุดหนักที่สุด เอ่เห็นแต่ในโลกที่อันเลยพยายมหยับหน่อยเช็ดพื้นที่อออเออให้เป็นลายมารแล้วมีลายมารถาแบบนี้ดีไม่สงสัยเดี๋ยวโยโมเห็นคนเดียวคงน่าไม่เห็นไปคุยแล้วไม่บอกเลยบอกมอ ไ, ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไม่ใช่ ถ้าไม่พามานะ่ะเดี๋ยวหาโยมไปโมเป็น <c oughs> เอามายันจนะได้ไม่เถียงกันจะได้ไม่สงสัยนะอ๋อจ้าถ้าสี่โมงต้องเลยเพราะว่เดี๋ยวพระขึ้นธรรมวัดวันนี้เป็นเวลาพระขึ้นทําวันแล้วหกโมงครึ่งต้องก่อนหกโมงครึง่งพระต้องไปรวมกันเกเรงกมตะฐาน ถ้าลงเมื่อเวลาหกโมงครึ่งตรงกันเลยต้องเป็นเวลากันตอนเช้าก่อนมงเช้าตอเช้ามาถึงเมื่อก่อนมงเช้านี่ก็ทํางานทา ง, ง, งานไม่งั้นไม่มีเวลาทำแล้วก็บ่ายโมงบ่ายโมงก็รับแขกถ้ามีแขกมาถ้าไม่มีมาก็รอโทรศัพท์ถามยังไม่มีก็ยังไม่ลง ถ้ามาก็มีบางคนมาแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาวันนี้ไม่แจ้งพระาสตร์พระก็บอกไม่มีไม่มีเขาก็ไม่ลงให้ดวงมาดูได้แต่พยากรณ์ไม่ได้ที่ที่ไม่ดูโยมดูไม่เป็นไม่ไม่เคยเล่นตัวไม่ไม่ได้หับหมูดูเขอ๋อ แ ม, ม่ถ้าจะดูดวงต้องไปวัสุทัศน์หมอดูเยอะอั <laughs> <laughs> นนตลาดหมอดูไม่จะ้ะเอาไปรวยใหญ่ ทเทคนิคนี่อาจจะเป็นปกศต้นก็ใด้นะ่ะไปไม่รอดปกสต้นแต่เด็กมาันมาวันนี้จะมาสมัครเป็นครูไปที่โรงเรียนสาบันทุกประชิงเรียนวัดอานจบอะไรมาเจอจากเทคนิคไอเทคนิคนี่อาจจะเป็นปกศต้นปกศต้นปกศ ส, สูนเนหางานทําไม่ได้แล้วอะไรปัญญายัง ปัญญาเขาเรียกทีเป็นแสนน่ะใช่เล่เี่นแล้วเขารับต่อมันก็จะ ก, ก็ไม่แน่เราซื้อทีมเรารับปูสามพันคนหรือ8ปดพันคนมันจะบาดลงไม่เท่ากันแต่ก็ช่างเถอะถ้าว่าคนสมัครเลยแสนนะไ้ ม, ม น, น, นั่นปัญญานั่นนะมือป ร, กราษกาสอต้นปรกราสอสูงก็ไม่มีทางไป แกคงคิดว่าเป็นเรีนลาดน ะ, <c oughs> ะใช่ใช่เอ า, างไงโอ้โหมาดีเดินเดินทางจับกาสำรวจทางเดิ จะดีจ้ะต่ว่ได้หลงทางขอยิวัดมันพัดในทหายากก็ซวยแันทีมันใหญ่นะ่ะจะมาไม่ถูกทางว่าไปถูกเห็นไหอย่างนี้แนละ้วบางทีบางคนออกไปน้องช้างเลยนะมาก็พอทำน้ำไม่เลี้ยวเหรอออกไปน้องช้างนี่นหลาไล่เต็มทีอะอะไรี่ย เ๊ะพูดได้เลยไม่ใช่กำแพงเพชรพูดได้เลยเขาบอกกำแพงเพชรพูดพูดไม่เยอะทั้งนะสงสัยไอ้กำแพงพูดได้เลยทีหลังชวนกำแพงมาเที่ยวมนะ <c oughs> เออไอ้เจกคนรวยจะกำแพงเพชรเห็นไหม ศาลาหลังนี้ศาลารีบสร้างไอ้เจ๊หัวเจ๊เด็จอะรีบสร้างที่วัดนี้แบบศาลาหลังเนี้ยวัด น, นี้ทำไรไม่ตอนนี้ไม่คยรีบเมื่อก่อนต้องขึ้นมาปั๊บว่าใไม่รีบต้องรีบไปทต่งานแต่งงา น, งงานมาช่วนี้ก็สบายใจหน่อยที่มันมีพอที่ระบายได้ที่นี้ทั้งหมดสองร้อยไร่เศษยังยังยังขาดนะ มันไม่ช้าก็เต็มออกถึงสามสองให้เต็มแน่กำลังเริ่มลงเลยด้านหลังคือลงไฟบรรที่สองร้อยไร่เศษนี่มีกำแพงหมดคือ่ในกำแพงไอ้่านนั้นไม่ใช่เขาไม่ได้ขายเราไม่ขายแล้วว่ามันอยากซื้อด้วย เราซื้อเราเสียตังชาวบ้านมเปล่าทำอะไรไม่ได้นั้นเป็นหนองเป็นหนองที่ลุ่มใช่ฮใช่ใช่เพื่อฮะ มีไปขายใครขายไลรละหมื่นยังขายยากเลยนี่ก็เลยต้องแทกอแทกไม่ลำกินอยนางนั้นแหละออคนลืมฉลาดคนนยมคนลืมฉลาดแล้วขายไรแล้วสองทักสองหมืน่นสามหมื่นนี่นะ มีคนก็ซื้อได้เอาเงินเนี่ยไปฝาธนาคารดอกเบี้ยยังงอกอ น, นี้มันทำกินอะไรไม่ได้เลยทำทาไม่ได้เลยหอหนอไม้ได้ปีกี่นอใช่ ตนระยะที่ซื้อที่มีญาติโยมหลายคนไปถามแล้วบอกราคาแบบนี้บอกโยมจะไปซื้อมาเลยไอ้เงิตนตรงเน้นเราไปสร้างอาคารดีกว่าแล้วที่แล้วก็เชื่อมด้านหลังนะใช่ไหมไม่ความจําจเป็นไถ้ า, ข า, ข า, า, า, าคานาา เ, ขาเขาขายก็อขายราคาถูกๆหน่อยตามตามที่เขาเขาขายอะไรกันแต่ที่ตรงไผ่เนี่ยมันใช่อะไรไม่ได้อ่ะลุ่มอะ ล้มมากและเป็นหนองน้ําใหญ่ซื่อมัก็เป็นเราไม่แน่ไม่ใช่อาจจะเป็นที่ฝังศพตัวเองก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เ <c oughs> ข, ขาอาจจะไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม่ใช่เขาอาจจะเก็บที่ฝังศพเพราะเราขาดประชา <c oughs> เขาต้องการเราอยู่แต่บัมแพงเกินไปเนี่ยราคาแบบนี้ไม่งั้นเขซื้อหมดแล้วนั้นแล้วคือมันได้ยุคซื้อที่อยู่ยุคเดียวแต่เราต้องการที่เรซื้อที่แล้วเราก็บางกดบางแผนว่าเราจะทำอะไรเกินนั่นเราไม่เอาแล้วแล้วไป็นสมัยใช่ไหมไม่เอาแล้วนี่บอกให้หลายรายการราคาไม่แพงบอกไม่เอาแล้ว มันวางผังแล้วว่าฉันจะมาทำอะไรถ้าก่อนนี้เราคิดอยากทำอะไรเราก็ทำไม่ได้ที่ไหพอใช่ไหมที่ที่เราพอที่พอแล้วแถวที่ซื้อเป็นแถวๆนั้นแถวร้อยไร่อันปลูชายก็ได้นางใช่ใช่แถวร้อยไร่มันไล่ไม่ถึงสามพัน ใครจะขายเป็นแสนนะใครจะซื้อละเพราะเพราะมันไม่แพงอยู่งขายไม่ได้เห็นเงินแสนแพงก็ขายได้นานแล้วไม่เคยไห ม, ม